ธรรมชาดกแผ่นที่แปดลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หมกราคม2556หมีชื่อเรื่องว่าลูกเศรษฐีลืมบุญคุณวันนี้เป็นวันที่ห้า มกราคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน1นเป็นวันพระเมื่อเช้าก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันพระด้วยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็มาทำบุญวันเสาร์วันพระ แต่ตอนเย็นนี้พวกเราก็จะได้ร่วมกันทำวัดเย็นจบลงสักครู่นี้ต่อ น, นี้ไปก็จะได้ฟังสมโมทนนิยกถาอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาถ้านหลวงพ่อได้อยู่วัดก็ได้พูดได้กล่าวแต่ช่วงหลังๆหลวงพ่อก็มีธุระภาระออกไปข้างนอกหลายวันพระเหมือนกัน แต่วันนี้ได้พร้อมกันพวกเราก็ได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทุกครั้งไม่ว่านอกพรรษาไม่ว่าในพรรษาพวกเราได้ทําวัดไหว้พระสวดมนต์ร่วมประชุมกันเพราะว่าการประชุมกันหรือว่าการมาพบกันห่างเหินกันมากก็ไม่ดีเจ็ดวัน ก็ยังจะว่ามากเกินไปหรือจะว่าน้อยเกินไปสุดท้า้ำไปเพราะว่าถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องได้ร่วมกันประชุมหารือกันเราว่ามันประชุมกันเนืองนิดเนี่ยอิหารที่จะทาทำเป็นที่ตั้งไปในแนวทางความเจริญในการอยู่ด้วยกันเราว่าอริหารที่จะทำานมันประชุมกันขึ้นต้นเลย มันไปชุมกันเนืองนิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ไปชุมกันถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาพบกันฟันพระหนึ่งก็มาพบกันมีอะไรก็พูดกันปรับกันเรื่องธรรมะเรื่องศรรีลเรื่องวินัยเรื่องจริยธรรมคือการเป็นอยู่ทางฝ่ายพระทางฝ่ายสงฆ์ทางฝ่ายฆราวาสญาติโยม ถ้าหาว่าต่างคนต่างอยู่ก็นับปันห่างเหินเหินห่างกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นการมาพบมาเจอกันมีอะไรก็จะได้ปรึกษากันมีอะไรก็จะได้ทาความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละวันนี้ก็วันหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลายเนีามาร่วมกันไหวพระสวดมนต์จบโลวงศักครูนี้แล้วก็ ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาแต่หลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดส่วนอื่นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายสําหรับผู้ปฏิบัติแต่ว่าตอนเช้าหรือว่าเทศหรือว่าไปพูดที่อื่นหลวงพ่อก็อยากจะพูดเรื่องรวมๆทั่วๆไปความพร้อมเพียงสมัคคีบังเรื่องศีลบัง เรื่องกฎระเบียบพระคุณต่างๆบ้างแต่อย่างที่วันพระอย่างนี้แหละหลวงพ่ออยากจะเน้นให้พวกเราได้ฟังเรื่าเน้นเรื่องจิตตภาวนาเรื่องจิตตภาวนาเป็นหัวใจจริงๆของหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าใจของเราได้ภาวนาได้ริมรถสมาธิหรือริมรถ วิปัตินาหรือสมรรถะืิวิปัตสนารู้แจ้งเห็นจริงตามขั้นตอนใจของเราจะถอนตัวไม่ขึ้นนะถอนตัวไม่ขึ้นใครก้าว่าเชื่อเชื่อในการปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลรักษาศีลก็ปะะไปไปแต่ให้ทานเนี่ยเอาริงเอาจังอยู่ พอเรื่องทานเนี่ยตามมาจริงเรื่องทานเป็นน่าจะเป็นของยากกลับเป็นของง่ายสําหรับพวกเราการเสียสละเป็นของง่ายแต่รักษาศีลาาาาเนี่ยรักษากายวาจาเนี่ยเริ่มยากแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเพราะไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเพียงแต่ว่านั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าบังคับให้ใจอยู่นิ่งเท่านั้นแหะเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ให้พวกเราสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะ่ะเพราะหลวงพ่อเห็นไม่ใช่เห็นที่อื่นละเห็นกับหลวงพ่อเองเหมือนกันนะ่ะถ้าสมัยตะกอนๆหรือว่าการนั่งภาวานาหรือว่าการที่จะเดินจงกรมมันจะลักษณะที่ว่าจูงหมาใส่ฝนลักษณะอย่างนั้นจูงหมาใส่ฝนพวกเราดูซิถ้าฝนตกแรงๆรนะ่ยจูงหมาไปใส่ฝนออกตากฝนนะ่ะ มันกลัวถึงขนาดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะนั่งภาวนาในะลักษณะอย่างนั้นนะมันไม่สู้เลยในใจมันแปกนะกิเลสภายในใจของเรานะเหมือนกับใจของเรามันเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งมันมีกิเลสและ ม, มันมีธรรมอยู่ในนั้นแต่เรามองเห็นว่าธรรมที่เราได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, นะ เ, าเป็นนิยานิกรท นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในพฏทะฏสงสารจริงแต่ทันท้พอเราจะเอาเข้าจริงเลยกิเลสอยู่ในใจเลยยาหน่ายนะอย่านะหยุดหนะยุดหนะุ ด, ด, ดอย่างนี้แหละมันลังเอาไว้สิเนี่ยแหละจุดนี้แหละจุดที่เราจะต้องต่อสู้กิเลสภายในใจของเราทีนี้ตัวนี้แหละมันไม่ใช่ตัวธรรมดาถ้าเราสังเกตดูแล้วเราจะเห็นในตัวของเราเองเนี่ยแหะไม่ต้องสังเกตที่อื่น เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนายึดอะไรกรรมาฐานอะไรอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หงพ่อย้ำแล้วย้าอีกยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นของเรานี่ยละ่ะครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เราได้ศึกษามาทางอื่นได้ได้ฟังมาทางอื่นเอาไว้ก่อนอให้เราเชื่อตามแนวแถวของหลวงปู่มั่น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกองพูดอย่างนั้นได้ที่ได้อยู่กับหลวงปู่มันท่านให้ภาวนาพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าส่งจิตไปทางเอื่นให้บังคับจิตใจของเราให้อยู่กับพุโทโธให้กำหนด ให้สติอยู่กับพุทธโธให้มีสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดให้อยู่กับพุทธโธนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือสมถะจะทําจิตใจให้สงบหน่อยให้อยู่กับพุทธโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาก้าวเดินเวลานั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เวลาเราปัดกวาดไปที่ไหนเราก็พดทโถทอย่างที่หลวงพ่อเดินมืดเช้าเนี่ยหลวงพ่อเนา่นกำนดมีสติอยู่กับการเดินอีกเหมือนกันเราเดินโยกมแลเราก็พาขวาพดขาซ้ายโทรสรุปแรกก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติถ้าว่าเราขาดสติเมื่อไรเมื่อนั้นเราขาดความเพียร เราปรุงฟุ้งออกไปเมื่ อ, อไหรเมื่อนั้นเขาเราขาดความเพียรขาดสมาธิขาดปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพยายามสรุปแล้วก็คือพยายามก่อนนอนก็พยายามกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนนอนหลับเวลาเดินเดินไปที่ไหนพอเรา ล, ลึกได้ก็พุทธโถขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถไปเรื่อยๆนี่แหละให้มีสติอยู่กับตนเองในเมื่อเรา พิจารณาไลายครั่งต่อไลายหงท่องอยู่ไล่คลั่งต่อไลายหงเนี่ยจากนั้นเราก็นั่นแหละความสงบจิตใจมันก็จะคุ้นเชื่องเขาเรื่อยเลยเลยเยจากนั้นก็เข้าสู่ความสงบได้อพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานตัเนี่ยจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเน่งสติอยู่สติควบคุมจิต สติอยู่กับจิตจิตควบคุมสติเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราปรุงเรื่องอะไรเราให้กําหนดอะไรใจของเราอยู่กับกรรมฐานไหนเดี๋ยวนี้ในเมื่อเราบังคับหรือว่าควบคุมจิตใจของเราได้แล้วเถอนะอะจะถึงไม่ถึงกับสงบถึงอับเป็นอับปนาสมาธิก็เถนะิะอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิด้วนะถ้ามันสงบ รวมสงบนิ่งลงไปจนจิตใจเข้าสู่การพักผ่อนการพักผ่อนคือจิตใจรวมสงบนิ่งจนหายเงียบจะออกจากกายหายเงียบคล้ายๆว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มันหลงมันเพลอนะคล้ายๆมันเด่น อ, อยู่ในนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเด่นอยู่ในนั้นไม่ใช่หายเงียบไป เหอบางคนมันหายเงียบไปอันนั้นเรียกว่าสมาธิหัวต่อต่อไม้เนีไม่ใช่หัวต่อนหัวหัวต่อไม้เหมือนต่อไม้เออมันไม่รู้สึกอะไรอันนั้นแปลว่าสมาธิหัวต่ออันนั้นมันหายเงียบไปพอออกมาไ่รู้ว่าไปไหนเมื่อกี้น่ะอันนั้นไม่ใช่นะอัปปนาสมาธิเวลามันเข้าไปเรารู้ว่ามันเข้าไปมันรวมสงบเรารู้ว่ามันรวมสงบมันเป็นหนึ่ง สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นใ น, นสติเป็นอันนั้นอันนั้นแหละคืออัปปนาสมาธิในเมื่อมันเข้าไปแล้วมันอยู่ตามกําลังของมันฮงเมื่อเป็นหมดกําลังของมันมันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจาระสมาธิเราไม่บังคับให้มันถอนออกและก็ไม่บังคับให้มันลงอีกต่างหากเพียงแต่ว่าเหมือนเราเราเขีย่ย ล, ลูกก๊อปลงหลุมอย่างนั้นแหละเราไม่บังคับแต่เราก็พยายาม กาหนดว่าเราจะต้องให้มันลงหลุมฮะแต่บางทั้งมันก็ไม่ลงฮะแต่พอมันจะลงมันก็ไรปอกลงไปเองฮะอันนี้คล้ายๆกับว่ามันถูกจังหวะของมันมันลงเองนี่ก็เหมือนกันใจของเราที่ภาวนาบังคับยังไงมันก็ไม่ลงแต่พอมันจะลงมันจะลงเองเหตุผลมันลงเองเราไม่รู้ว่าเหตุผลจุดนั้นคืออะไรอันนี้ให้สังเกตเอาไว้ต่อไปเราก็พยายาม ทำอย่างนั้นพยายามอย่าให้มันเป็นแต่เขาพยายามากําหนดดูใจมันจะลงจากนั้นเราก็จะรู้จักวิธีได้เ ว, วลามันจะทําจิตใจให้สงบนะอันนี้เราจิตใจเป็นอัปปนาสมาธิถึงกําหนดมันมันจะถอนขึ้นมาเองเอแต่ขณะที่มันลงไปนะมันจะหายเงียบสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายหายเงียบทุกสิ่งทุกอย่างหายเงียบ ไม่รู้แต่สติขบจิตนั้นเด่นเด่นชัดในความรู้สึกนั้นนี่แหละอันนี้คืออัปปนาสมาธิจากนั้นนานไหมอันนี้สุดแท้แต่กำลังของแต่ละคนบางคนก็อยู่ได้นานจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอจิตใจถอนขึ้นมาก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ขณะที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นพิจารณาอะไรไม่ได้มันมีแต่เด่นชัดรู้รายด้วยตนเอง ว่านี่คือจิตของเราสงบเราก็เชื่อมั่นในตัวเองอีกต่างหากจิตระดับนั้นะเราเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นว่าเอออันนี้เองนะว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนเนี่ยมันจะศูนย์ได้ยังไงตัวนี้มันเด่นเหลือเกินมันชัดเหลือเกินร่างกายกับใจนะมันเห็นได้ชัดเหลือเกินตัวนี้แหละที่จะไปเกิดในวัฏฏะสงสารวกปนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเออ มันเห็นได้ชัดถึงขนาดนี้จะไปศูญได้ยังไงใช่ร่างกายนะมันศูญแน่แต่ว่าตัวนี้มันไม่ศูญนะมันชัดละเกินนะ่มันเห็นได้ด้วยตนเองนะอ น, นี่แหละคือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิมันเชื่อตนเองเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเวลามันถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจะนี่นำมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายที่เห็นมันชัดๆเนี่ยมันหลงหลงอะไรหลงร่างกาย คนเรามันหลงร่างกายร่างกายใครร่างกายตัวเองนะะอั่นแหะแอบหลงผมขนเล็บฟันห น, นังเลือเอ็นกระดูกว่าร่างกายของเราจะอยู่โ่วฟ้าดินสลายว่าจะตายไม่เป็นไม่ใช่นะร่างกายใจนะร่างกายอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันนะอันนี้คือทําความเข้าใจในใจ เ, เรากพยายามพิจ า, า, ารณาหลายข้างตระหนกหลายข้างต่ะหนกเมือ่อเราท่องหนังสือลักษณะอย่างนั้น่ะแต่ท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอี ก, ท, ออกท่องแล้วคือ หลายครั้งต่อไร่มันก็จําได้อันนี้ก็เหมือนการพิจารณาหลายครั้งต่อไร่หันมหลายครั้งต่อไรหวัวนพจนที่รู้เกิดความเบื่อหน่ายเ อ, อรู้แจ้งเห็นจริงนะใช่มันพิจารณาทีไรก็ร่างกายนะมันไม่ใช่ของจิรังถาวนะ่ะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันนะขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรานะเ อ, อดูสิวันนี้ปีนี้มันแก่กว่าปีที่แล้วนี่นะเห็นไหมคนอื่นนะ่ะ เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นรุ่นน้องของเราเนะี่ยตายไปแล้วคนตายไปแล้วเราจะไม่ตายเหรอเนี่ยใจงอันนี้ก็คือพิจารณาเทียบนอกเทียบในเทียบเขาเทียบเราเทียบร่างกายเนี่ยเทียบกายเขากายเราเนี่ยไงใจเนะี่ยมันเปรียบเทียบน่ะเหมือนกับเราท่องหนังสือลักษณะอย่างไรทีนีน้อไม่ใช่แต่ท่องกอไก่กอไก่กอไก่กอไก่อย่างนี้ไม่ใช่นะ คไก่คอไข่คอขวดคอคอยคอคนคนละครังไปเลยน่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราเปรียบเทียบสัตว์เปรียบเทียบพนเปรียบเทียบพ่อแม่ปู่ย่าตายายเปรียบเทียบครูบาอาจารย์เปรียบเทียบหมูพวกเพื่อนเพื่อนสหายเปรียบเทียบเห็นสัปสัตว์ทางหลายที่เราเห็นเขาตายเราก็เหมือนกันเลยล่ะเหมือนกับสัตว์ที่ทะชันทั่วไปนะใจนะพิจารณานี่แหละ อันนี้เรคือพิจารณาเห็นอันนีจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเมื่องมาเมื่อเห็นร่างกายของเราเป็นอันนีจังชัดเจนเมื่อเห็นของคนอื่นก็ชัดเจนเห็นคนอื่นเห็นเราเห็นเราเห็นคนอื่นในเมื่อเห็นเราว่าร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราและสิ่งอื่นวัตถุอื่น เงินคำทรัพย์สมบัติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคณะศรัทธาญาติยมของวัตถุภายนอกล่ะมันจะเป็นของเราได้อยู่หรือคณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยหัวใจเนี่ยขาวนี่มาถามใจแล้วเนี่ยทพิจารณาถึงใจทำความเข้าใจในใจท่พิจารณาหลายข้างต่อไร้ผหลายข้างต่อไผลหลายข้างต่อไร้ผลผลใสุขก็เกิดความ เบื่อหน่ายรู้แจ้งเห็นจริงทะนะในจิตในใจในี่แหละการพิจารณาวิปัสสนาฮะที่แรกก็สมถถิก่อนสมาธิเนี่ยคือกหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตใจนิ่นงจิตใจรวมสงบกําหนดลมหายใจอยาา่าบังคับไม่ให้มันปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทำมันไปมันเผลอไป เผอไพลไปกลับเดนมาไว้ที่เกา่เาพุทโทพุทโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธถ้ามันยังเผลออีกอา้าเปลี่ยนดูซิเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีเย็บอย่าให้มันมีช่องในแนวความคิดของเร า, เาในใจของเราอย่าให้มันออกพุทโธพุทโธพุทธโธเนี่ยนี่แหละ ว, วิธีการ อ, าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้นับดูซิลักษณะอย่างนั้นก็มี เพราะว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าต้องอันใดอันหนึ่งไม่ใช่กรรมฐานสี่สิอยา่างฮะอันนั้นยังพอประมาณอีกต่างหากนะยังมีอีกกว่านั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ทําความเข้าใจในใจให้ความรู้สึกในใจอย่างเห็นพยับแดดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกรรมฐาน40สบนะ่ยพิกษุเดินทางไปไปเห็นพยับแดดพยับแดดไม่มีตัวตน ท่านก็มองเห็นเป็นพยับแดดเห็นอันนี้จังเหมือนกันเออพยับแดดเหมือนกับใจของเราใจของเราก็มองไม่เห็นเหมือนกับพยับแดดพยับแดดคือพ้นใจของเราเพราะใจของเราก็มองไม่เห็นเอแต่ว่ามันเป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงนะ่ะเห็นรู้สิไปใกล้ใกลมันก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกอยู่ในตัวของเราอแต่มันบังคับกายให้ทําอะไรให้เดินไปยังไงให้ทํำยังไงนี่แหละ ใจของเราเนี่ยบังคับกายเหมือนกับคนขับรถบังคับรถอย่างนั้นนะแต่คนขับรถก็ยังเป็นรูปประธรรมยังเห็น่บังคับรถนะแต่ใจของเราเนี่ยบังคับกายเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจพิจารณาจนเกิดเข้าใจเข้าใจในใจเกิดความเบื่อหน่ายคายไม่ยึดมัน่นถือมันเพราะรู้แจ้งเห็นจริงเล มันจะไปยึดอะไรถ้ายึดก็ยึดอนันในจังทุกขังอนาตถายึดทุกยึดเอาสุภาพปฏิกูลยึดร่างกายยึดตัวซิยึดร่างกาย ย, ย, ากา ย, ายึดไปเท่าไหร่ก็แก่เท่าชร า, าไปเท่านั้น เ, เดี๋ยวตาฝาฟางหูหนวกหูตึงไปล่ะนังเหี่ยวนังย่นไปอะไรทีไหลังคอมอพระนิสุกเก็บไข้ได้ป่วยคระนิสุกอ๋อจะไม่ตายเหรอใจมันจะกายร่างกายมันจะออกไปได้นะเยะังจุดยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจออ พวนทีสูตก็เลยถ้าหากว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดดีสมน้ำหน้าของใจทำไมมันยังหลงร่างกายทั้งที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรามันยังไป<อ>ยึดไปถืออยู่มันสมน้ำหน้ามันถึงขาวใจจะขาดทักชักดิ่นชักงอนนั่นแหละต้องคิดไว้อยางงั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่นแหละพิจารณาทาสรุปก็คือ ให้ทำความเข้าใจในใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงนะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากเรื่องกิเลสอาสวะทางปวงนี่แหละจุดนั่นนะเมื่อเราเรียนรู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเหมือนกับเราเรียนหนังสืออันดับแรกแล้วก็เรียนท่องทองท่อท่องท่ อ, ท อ, ท อ, ทอพอจาเสร็จแล้วนะ พอจำเสร็จแล้วก็ความรู้น่ะความจำนั่นน่ะรู้แจ้งเห็นจริงความที่ไม่รู้มันก็ตกไปอ่ะอวิชชาที่ตัวไม่รู้อ่ะมันก็ตกไปวิ ช, ชาที่รู้มันก็ขึ้นมาทดแทนอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ใจใจที่รู้แจ้งเห็นจริงใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นกับมันออกมาจากความโง่หลงงมงายนั่นแหละเพราะนั้นคอยพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนะแล้ ว, วาการเป็นอยู่ก็ให้สำรวมให้ระวังอย่าไปถือโทษโกรธเครืองการอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่ในโลกก็เถอะจะไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวน่าไปถือว่าเราเด่นฉลาดปาดเปืองกว่าเขาดูถูกเกียดติยามเขา ในหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นนะท่านในรู้เขารู้เราในโลกอันนี้เกิดโลภโลกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งนั้นเพระาะนั้นปีอะไรพอที่จะช่วยเหลือเจือจันเกื้อกูลหนุนกันได้ก็ให้ปฏิบัติให้ทำเกื้อกูลหนุนกันแต่พอที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวได้ก็อ้า แนะนำบอกกล่าวกันรักเมตตากันการอยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้คือหลักทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าว่าถึงจะอยู่มากมายหลายท่านหลายองค์ขนาดไหนก็เถอะอย่าไปมองกันในแง่ร้ายในมองกันให้มองกันในแง่เหตุแง่ผลจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรมีอะไรในเพื่อนฟูงในหมู่พวกเพื่อน อันนี้ในการเป็นอยู่อแต่ทางว่าพวกเรามองกันในแง่ร้ายแล้วก็มันหาที่สุดไม่ได้นะแต่ตามไม่จริงถ้าเราได้ศึกษาในอ่านในพระไตรปิฎกคนจะทะเลาะกันนองถึงยังไงยังไงมันก็มองกันในแง่ร้ายไปอยู่เสมอมันไม่มองกันในแง่เหตุแง่ผลนะเพราะมันมันอยู่ในใจมันลึกๆ มันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรดตั้งแต่พบในชาติไหนก็ไม่รู้เพราะเห็นการมันคว้าลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเราได้เห็นในในศึกษาแล้วก็มาสังเกตุพอเราเห็นในพระไตรปิฎลเร้เห็นในตำรับตาราที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเขียนท่านบอกไปแล้วเราก็มาสังเกตภายนอกออมันก็มีสวดอีกเหมือนกันนะนคนที่มันจะทะเลาะกันเนี่ยหมือนยังไงมันก็ไม่เข้าใจ มันไม่อยากจะเข้าใจในคําที่เขาบอกเขากล่าวนั่นนะทั้งที่มันไม่มีเหตุมีผลแต่ก็ไม่อยากจะเข้าใจดันทุลังไปยังตัวเองอยากจะให้มันเป็นไปนั่นนะแต่ตามไปถึงมันไม่ถูกอย่างนั้นนะอแต่ถึงยังไงก็อยากจะดันทุลังฮะเพราคนที่มันจะทะเลาะกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคนที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันก็เหมือนกันนั่นแหะมันลักษณะอย่างนั้นอย่างในชาดกนะ หลวงพ่อจะบอกกล่าวเรื่องเป็นชาดกนะพระเทวทัตอยู่เสด็จพระพุทธเจ้าเส ด, ด็จุประทับอยู่ที่กรุงราชคือวัดป่าเวลุวันวันหนึ่งพระสงฆ์ได้สนทนากันได้พูดเกี่ยวกับพระเทวทัตเอพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนแท้ๆทำไมพระเทวทัตจึง เบียดเบียดพระพุทธเจ้าจึงไม่ลงรอยกับพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์ก็เลยถามพระเทวทัตท่านเทวทัตท่านทำไมจึงคิดอย่างนั้นท่านได้บวชมากับพระพุทธเจ้าให้บวชท่านได้เรียนพระไตรปิฎกกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้ได้เรียนพระไตรปิฎกและอติเลการาบทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้นี่กัเพราะท่านบวชพระพุทธเจ้าเป็นผู้พานําพาบวชในลักษณะอย่างนี้ ท่านได้ศึกษาท่านจึงได้บวชอย่างนี้พระเทวทัตบอกว่าไม่ใช่นะพระท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจผม เ, เกิดขึ้นมาเองจเจริญมาเองเอผมเรียนประไตรปิกเองเอพระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยผมแม้แต่น้อยเดียวของผมทั้งหมด <c oughs> อันนี้คือพระเทวทัตเห็นไหมละ่ะ พวเราฟังๆดูสิทั้งที่ท่านเกิดมาจากนั้นพระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าหน่ยเอ๊พระเทวทัตทําไมพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอดีตแต่ชาติก็เหมือนกัรหนาวนะพระเทวทัตเนี่ยไม่รู้บุญคุณนะแต่นี่ยพระสงฆ์ก็เลยถามสมัยไหนพระเจ้าข่าเนะี่ยพระองค์บอกสมัยหนึ่งเออเราเกิดเป็นพญานื่ง อ, นะอยู่ในป่า แต่เราเนี่เกิดมาในภพนั้นชาตินั้นเนี่ย ต, ตัวของเราเป็นสีทองเออเป็นเนื้อที่สวยงามเราก็มองดูตัวของเราเออท่าเราอยู่กับหมู่พวกเพื่อนเนี่ยคงจะเป็นสัตว์ที่เป็นตัวเด่นเพราะนั้นเราควรจะหลบไปอยู่ตามลําพังอยู่เงียบๆจะดีกว่าเพราะเรารักษาศีลด้วยเนี่ยเกิดชาตินั้น แล้วจริยะจริยาจริยาปิดกจลยาจิยาวัดท่านรักษาศีลเกิดเป็นสัตติราชานก็รักษาศีละเพื่อโพธิญาณนีกเหมือนกันถึงจะเป็นสัตติราชานแต่ใจของท่านเนี่ยเหมือนกับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนสัตว์ธรรมดาที่เป็นร่างกายก็จริงอยู่แต่ว่าใจของท่านน่ะปรัถนาโพธิญาณคืออยจะเป็นพระพทุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตน่ ท่านขอรักษาศินอยู่ตามลําพังอยู่ในป่าเป็นก็ว่ารูรุมิขะ เ, เป็นเนื้ อ, เ, อเป็นสัตว์แต่ท่านเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นกวางเป็นแก้งเป็นอะไรท่านก็ไม่ได้ว่าชื่อว่ารูรุมิขะหมิขาราด เ, าเป็นสัตว์เป็นพญาเนื้ออยู่ในป่ามะม่วงออยู่ที่ไกล จากคู่คนสมัยนะั้นก็คงคน ค, คงไม่มากฮะคงอยู่ในป่าดงที่ลึกท่านก็อยู่ตามลาพังออกไปหายอยู่หกินกน็ไปด้วยความระมัดระวังทีนี้ก็มีเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีมีตระกูลใหญ่พ่อแม่ก็ได้ลูกชายคนหนึ่งพอลูกชายขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากกลัวลูกชายจะทุกจนก็ไม่ให้ ไปเรียนหนังสือที่ไหนเก็ให้เนี่ยหาเรื่องล้องลำทาเพลงดนตรีเอาให้แต่วิชาอาชีพการทามาค้าขายไม่ได้สอนเพราะว่ากลัวลูกจะลำบากต่อมาพ่อแม่ก็เลยตายตายตัวเองก็เลยเป็นเศษรษฐีแปดจีบโกดล้วก็แต่งงานพ่อแม่ก็แต่งงานให้คนเสมอกันก็คงจะมีเสร็จเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันนะผลที่สุดก็เลย ไม่ได้ทํามาค้าขายไม่จะกินไม่จะเที่ยวไนะนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องอืออบายยมุกมะลุมมะตุ้มมะลุมมะตุ่มพอในสุดมึงจะมีมากขนาดไหนก็เถอะทรัพย์สมบัตนะิใช้ไม่รู้จักประมาณก็หมดเป็นเหมือนกันออหมดนะพอหมดที่นี่ก็เป็นหนี้เป็นศีลพลุงพลังอนะไรพอเป็นหนี้เป็นศีลเสร็จแล้วก็ เ อ, อผลในสูจะหาเงินใช้หนี้เขาพอเงินใช้หนี้เขาก็บอกเอามาเอาสัญญามาเดี๋ยวผมจะหาเงินให้มีอยู่เงินผมฝังไปอยู่บนหลังคาเขาก็เอาใบสัญญามาให้เสร็จแล้วก็ อ, อทําท่าจะเอาเงินไปจ่ายเขานะที่แท้ตัวเองจะฆ่าตัวเองตายอย่างั้นะฮผลในสู ข, ขึ้นไปบนหลังคาแล้ย คลังคาลังนั้นมันติดแม่น้ําเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพญามันน้ําไหลเสี่ยวจากภูเขาแฮพพอขึ้นไปแล้วแกโจนลงไปในน้ําอตายแหล่ไม่ตายแหละคิดว่ากระโดดให้มันตายอะไรงั้นพอหนีหนี้เขาเน่ะมันหนี้มันเยอะแยะแอโดดลงไปก็เจ้านี้ทั้งหลายแหล่ก็ไม่รู้เลยมันโดดลงน้ำอะไรมันก็คงจะตายอลไรท่นี่กระโดดลงสูงอีกต่างหากไอ้เนี่ยมันกับกรรมกรรมมันมันไม่ตายได้ท่นี่ กรรมมันพยุงไม่ให้ตายก็มีได้กรรมให้ตายก็มีกรรมมาให้ตายก็มีมันจะต้องใช้กรรมมันก็ไม่ตายไงมันก็ลอยไปตามน้ําลอยไปพอถึงทีนี่เออมันก็ทุกข์เลยใช่ไหมลอยไปก็ร้องขึ้นมาโอ้ช่วยข่าด้วยเทินขอยชายด้วยเถินข้าตกน้ํารักษาในนั้นแหะไอพญาเนื้ออยู่ในป่าเนี่ยเออท่านรู้ภาษาคนเลยเพราะใจอย่างของท่านเป็นพระโพธิสัตว์อย่างที่ว่า แต่ท่านเป็นพบเป็นสัตว์ก็จริงอยู่แต่ว่าใจของท่านเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาจะารักษาศินเนะี่ยถ้าวัดทั่วไปจะรักษาสินได้ยังไงไอ้นนท่านรักษาศินเนื้อตัวเนี่ยเนื้อทองแต่เนะี่ยรักษาสินยผลที่เกิดท่านเห็นได้ยินส่นเอะมันขนทุกเนี่ยว่ามันเรียกร้องหาความช่วยเหลือเนี่ยนะเนื้อตัวนี้กระโจนลงไปนะนะเนี่ยนะความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ธรรมดานะ โจลลงไปกับบุรุษคนนั้นก็เกาะหลังขึ้นมาก็พาขึ้นมาพาขึ้นมากันนะ เ, เนื้อตอนนั้นก็พาเอ า, เอามะม่วงตรงไหนที่มันมีผลไม้เอามาให้กินกินกับพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่ า, าท่านเป็นมนุษย์ผมได้ช่วยเถือเหลือท่านแต่ถึงยังไงผมขออย่างเดียวนะอย่าบอกว่าผมอยู่ที่ไหนนะ เพราะว่าผมมาจุูที่นี่ผมจะรักษาศีลแห่งข้าพเจ้ารักษาศีลเอาเถอะข้าพเจ้าจะไปส่งท่านปัญญาเนื้อตัวนั้นก็พออยู่สองสามวันไอันนี้หายอกสั่นขวัญหายแล้วก็เลยขึ้นขี่หลังแล้วก็ส่งเข้าไปทางของพระเจ้าเมืองพระลานศรีไปทางนี้นะแล้วก็ไปจะไปเจอถนนทอ น, นทางได้ ปุดุดคนนั้นก่อนขึ้นหลังไปแล้วก็หลงแล้วก็ไปปล่อยไปปล่อยไปพระเจ้าพารานาสีมีอัคคมเหสีฝันว่าได้ฟังธรรมเทศนาจากเนื้อเนื้อทองให้แค่ว่าเป็นสัตว์สีทองสวยงามมากเข้าไปในจุบินนิมิตคือฝันนางก็เลยฝันเห็นเนื้อทองและบอก บอกกับสามีว่าอยากจะฟังธรรมเทศนาเนื้อทองตอนมันพูดธรรมะให้ฟังลึกซึ้งมากนถ้าว่าไม่ได้ฟังในชีวิตของข้าพเจ้าน่งคงคงจะหมดไปลักษณะนั้นพระเจ้าผมรททัศก็เลยประกาศหาคนว่าใครเห็นเนื้อสีทองคำมีไหมในประเทศของเราเนี่ยในละแวกของเราเนี่ย อจากนั้นก็เยเขาก็ใส่แผ่นใส่หลังช้างประกาศไปแต่เนี่บุรุษคนนั้นก็มากมาเจอพอดีเนี่นนะแต่กรรมกรรมมันเป็นอย่างไงนนะมันพอเหมาะพอเจาะทุกอย่างแล้วกันพอไปเห็นกับคนนี้ก็อยากจะได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นนี่เป็นศีลเขานะ่ะบอกว่าเอ้ยข้าพรเจ้ารู้ว่าเนื้อทองอยู่ที่ไหนทั้งที่เนื้อทองเขามีเป็นผู้มีพระคุณอนะตัวเองก็เนี่ยนะ อยากจะได้เงินเอจะให้เขาไปเอาเนื้อทองตรง น, นั้น่ะเพื่อแลกกับเงินอที่เขาจะให้ที่พระราชาจะให้โผล่ในโซ่ก็เห็นมหเห็นก็เลยพาไปไปกับพระราชาพอไปบอกพระราชาพระราชาก็อ้าวเตรียมพนไพ่ทั้งหมดเลยทหารมือขมังธนูไปพร้อมเลยจะเป็นล้อมดูตรงนั้นไอ้นี่ก็ไป อย่าไปพูดนะเงียบๆ น, ะ, น, ะ, นะพอเขาไปล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่นล้อมเจอล้ล้อมถึงอลอวตะโกนหน่อยล้อมทั้งสองสามชั้นมานพอตะโกนเนื้อทองตัว น, นั้นก็มองไปมองมาไปเห็นคนบุรุษคนนั้นะยืนเคียงคู่กับพระราชาอยู่สองสามคนถือธนูอยู่เนื้อตะนาโอ ออกไปทางอื่นคงไม่ปลอดภัยคงไปออกไปพังพระราชานี่แหละพญาเนื้อก็ตัดสินใจอออกไปไปก็เรียกเลยโอ้ oh, อย่าไปยิงข้าพรเจ้าเถินมีอะไรพูดกับข้าพรเจ้าได้ฮอพญาเนื้อออกพูดเป็นภาษาคนพระยาชาก็ปลดธนูลงไปเดินเข้าไปพระราชาก็บคำนับ แสดงความครบเนื้อมันพูดภาษาผลทำไมเนื้อบอกวันเนี่ยข้าพเจ้าบอกแล้วคนที่ยืนอยู่นีอตกน้ำมาข้าพเจ้าโดยช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าได้ขี่หลังข้าพเจ้าไปส่งถึงทางถึงยังไงอย่าบอกคนนะข้าพเจ้าจะรักษาศีลอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าทำคุณให้กับท่านแล้วขพท่านจะได้บอกคนอื่นนะ ข้าพเจ้าขออย่างเดียวเท่านั้นละ่ะะแต่ไี้ก่อนเนี่ยผลในส่วนขอท่านได้บอกพระราชามาหาข้าพเจ้าพระราชาได้ยินเท่านั้นละ่ะโอ้โห อ, อันนี้มันทรยศเพื่อนด้วยเนี่ยทรยศคนถ้ามีพระคุณนคนนี้เลี้ยงไม่ได้จะโกงธนูขึ้นมาจะยิงในเดียวนั้นเลยอยายาเนื้อก็โอ้ขอขอไว้ก่อนฮะอย่าไปทําเขาเถอะถึงข้าพเจ้าจะตาย ข้าพเจ้าจะเป็นยังไงข้าพเจ้าเนี่ยพบนิชาตินี่ข้าพเจ้าปราถนาโพธิญาณขอให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตข้าพเจ้ารักศิลยิ่งกว่าชีวิตพญาเนื้อว่าอย่างนั้นนะพระราชาก็ก็เลยเชื่อฟังจากนั้นก็ได้พานเนื้อเข้าไปแสดงธรรมให้แก่อัคคมเหสีจากนั้นก็มาปล่อยไว้ตามเดิมจากนั้นก็รักษา พระราชาก็ใช้คนมาดูแลรักษาพยาเนื้อนั้นต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาศิลของพระโพธิสัตว์นะั้นเรียกว่าจริยะปิดกจริยะธรรมการประพฤติของพระโพธิสัตว์ถึงใครจะเบียดเบียนยังไงพระโพธิสัตว์ก็ยังมั่นอยู่ในศินรักสินยิ่งกว่าชีวิตแล้วก็ดูถูกคนที่อกตัญอยู่ ไม่รู้จักบุญคุณเนี่ยสรุปแล้วก็คือคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เ, เป็นกลุ่มเดียวกันคนมีความเมตตาต่อกันถึงอย่างไรยังไงมันก็ถูกกันแต่นี้พอสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์พระเจ้าเป็นดินคือพระโมกคลาอาคามัเหสีเนี่ยคือนางเขมา เศรษฐีคนนั้นคือพระเทวทัต น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นอริเป็นศัตรูกันพอครั้งสุดท้ายที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะให้ใครว่ามันไม่เข้าใจกันถึงจะพูดให้เข้าใจยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไม่อยากเข้าใจเพราะคนเป็นอริเป็นศัตรูกันมาก่อน มันยังไงยังไงมาทำพูดยังไงก็ไม่ไ ม, ไม่เข้าหูพูดอย่างนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตนะอถึงยังไงยังไงให้พวกเราให้มีเมตตาไว้ในจิตในใจไว้อยู่เสมออย่าผูกพยาบาทอาฆาตกับผู้ใดใครผู้ถึงทั้งหมดในจักรวาลถึงยังไงยังไงขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวัตสงสารถึงแดนพระนิพพานเท่านั้นแหละพอแล้วเป็นอย่างอื่นใครจ ะ, จะเด่นใครจะดัง ใครจะมีทศถาบรรนาศักสูงสร ง, สงขนาดนี้นก็เอาเถอะอยู่ในโลกวัตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถึงข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์ถึงแดนพระนิพพานรวยด่วนแล้วก็เป็นพอกันให้ให้พวกเราตั้งใจอย่างนั้นนะทํายังไงจรึงจะพ้นทุกข์ก็อย่างที่ลุงพ่อได้พูดให้นั่งภาวนาให้มีกรรมฐานให้พิจารณา พิจารณาร่างกายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบเพราะฟันใจอย่าไปหลงร่างกายนะนนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณ า, าหลายครั้ง ต, ต่อหลายหุ่นหลายหุ่นต่อไลยครั้งรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็เบื่อนายคลายจิตใจกับปลดกพ้นจากอาสวะกิเลสเท่านั้นแหละเนี่ยหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเบื้องต้นก็ เกี่ยวกับเรื่องสมาธิวิธีการนั่งสมาธิวิธีเดินพิจารณาทางด้านปัญญาให้จริงจังแล้วก็การเป็นจูก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายหเห็นได้ยินการเป็นจู่การคบค้าสมาคมในโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างที่พระโพธิสัตว์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรา จะไปไว้ใจมนุษย์มน า, ากับใครๆมันไปได้ทั้งหมดแล้วนะคำว่าพารชนหรือ ว, ว่ิกลตตัวเนี้ยมันอยู่กับมนุษย์โลกด้วยนะสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันเกิดขึ้นมาได้ที่มันจะเกิดมันก็เกิดจังถึงยังไงก็ตามในใจของเราอย่าให้มันเกิด น, น, น, นดูใจของเราให้เป็นใจเป็นผู้มีศีลมีธรรมให้ใจเป็นผู้ บำเพ็ญกุศลสิ่งไหนที่มันเปรอะเปื้อนอย่างไหนที่มันสกรปรกสิ่งไหนที่มันไม่เป็นธรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งนั้นทําคิดพูดแต่สิ่งที่ดีพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งภพนี้ทั้งชาติต่อไปทําให้พ้นทุกข์นะแต่ตามที่จริงเอาพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละดีที่สุดอย่าไปหวังพบชาติต่อไปเถอะ เกิดพบนาชาตินาถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะเศรษฐีมหาเศรษฐีพ่อค้าประชาชนระดับลํารวยขนาดไหนก็เถอะอเวลาตายไปแล้วมันก็ตายอีกอย่างเก่านั่นนะ เ, เกิดมาพบนาชาตินี่ก็ตายอีกอย่างเก่าอีกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าเราชําระใจของเราซะให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจ้ะพบนี่ชาตินี้ก็ตัดไปเลยแล้วก็จบไปเลยฮะยอันนั้นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะ เอออย่างทีง่หลวงปู่ชิงทองพูดนะเอ่อแต่อว่าถ้าตายไปไม่มียศถมบรรดาศักด์มันก็มันเป็นยังไงล่ะหลวงปูจ่จะต้องวอยทาง ว, าว่าขอให้สำเร็จเป็นพระราหันเธื่อแก้ผ้าตายไปอยังจะยอมตายถึงจะไม่มีผ้านุ่งก็ยังจะยังจะยอมถ้าได้เป็นพระราหัน ขอจะได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารถึงจะเป็นเครื่องส่งเหลืองอล า, ามไปทั้งหมด mm. เพชรดินจินทาเต็มไปหมดถึงจะตายไปแล้วเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่ต้องการแต่ทาว่าตายถึงจะไม่มีผ้านุ่งตายไปเป็นพระหรหันต์ตายชำระใจบริสุทธิ์ตรุ ด, ดพ้นนะ่ะจังกระยิ่งจินดีที่จะเป็นแบบแก้ผ้าตาย หลวงปูจิงทองพูดโอ้หลวงพ่อก็เห็นด้วยเว้ยพูดใช่ถึงจะใส่เพชรนินจินดาเหลืองอาลามขนาดไหนก็เถอะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็เถอะแต่ตายตายจังอยู่ในกิเลสจูนจะต้องเวียนไหวตายเกิดอีกออนั้นตายแบบนั้นตายไม่มีศักด์รีถึงจะตายแก้ผ้าตายแต่ว่าพระหันชำระใจของตัวเอง หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วเนะเหมือนกับพระรหันต์ตายในปากเสืออย่างนั้นอะ่ะเสือค่าไปกินเนะี่ท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระรหันต์ในปากเสืออย่างนั้นก็ยอมตายเพราะมันจบทีเดียวแลออเป็นพระรหันต์แล้วจะเป็นยังไงก็เป็นเนะ่เพราะมันหมดกิเลสแล้วแต่ถ้าว่ายังไม่หมดกิเลสเนะี่ยโอ้ตายยังไงก็ไม่น่าจะตายเหมือนกันน่านะขอให้พวกเราทุกคน ที่พูดไท้ฟังทั้งนี้ทันั้นก็นำไปคิดนำไปพิจารณาการกองไตร่ตองเหตุและผลถ้าตอนนี้ไปนั่งสมาธินะั่นนี้นะ